สรุปแล้วก็คือพกพกข้าวเหล่านั้นน่ได้เงิน3ามแสนบริจาคที่บอกข่าวาบอกข่าวเรื่องข่าวให้พระพุทธ ใ, ให้พระเจ้าพระมหากบินที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินพวกพวกขาเกวียนจากนั้นพกมหากบินไปพกเราไปเดินหน้าไปกรุง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 พระอรหันต์แล้วนะ่ท่านไปนัสถานที่ใดท่านจะเป่งอุทานว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอสุกหนอไปที่ไหนท่านก็บงเป่งอุทานตอนี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นปุตุชนก็เอพระมหากบินเนี่ยคงจะคิดคึมคืนมาแล้วก็คงจะคิดถึงสมัยเป็นครวาต อ, อยู่กับขนมนาลีาคลองราช ก็คงคิดขึ้นมาได้มเมื่อไรก็คงโอ้สุกเนอสุกหนอสมัยนั้นฮะ อ, อย่างนั้นก็มั่งที่บนบ น, บนเพ้อเแบบนี้ตอนนี้พระองค์ก็ถามพอพระสงฆ์ไปฟ้องพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพระพร ะ, พระสงฆ์ก็ขี้ฟ้องเหมือนกันนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกพระมหากบินมามหากระบินมานี่ยสิมาหากบินเข้าไปเข้าไปเอเ อ, เอกระบิน เ, เธอไปณนะสถานที่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 จะทำอะไรก็คงไม่ทำอะไรก็ไม่ผิดมิไนเลยเพราะนั้นข้าพระเจ้าควรจะเข้าสมาบัติสวยวิมุตติสุขจะดีกว่าคงไม่หลงอุโบสถวันนี้นตอนนี้พระพุทธองค์ประทับอยู่วัดป่าเชตตะวันท่านรู้วาราจิตของพระมหากบิ น, นไม่หลงอุโบสถพระพุทธองค์ไม่ได้ถึงท่านจะเป็นพระหรันเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เจียงอยู่แต่ว่า